สบายกลับมาดูบัวสวิธีครับอาขึ้นหัวข้อได้ครับเพราะรนี้สบายแล้วสบายแล้วหน้าหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับหน้หนึ่ง้อหกสิบหกบวสวิธีโอ้แล้วสวานยี่สิบห้าข้อนี้มายากนะครับพิสูรรูปใดให้จีวอแก่พิสู่ด้วยตนเองทายหลังกลงเคืองไม่พอใจย่งขึ้นมาเองก็ดี ให้แย่งคืนมาก็ดีต้องอาบัตดปาสิทธิที่มีการเสียสละเป็นวินัยต่ำนะก็เนี่ยเอาจีวรให้แก่เพื่อพิสูจน์ด้วยกันนะครับอาจจะชอบพออะไรยังไงก็แล้วแต่นะหรือว่าหวังนะครับโอ้เราให้อะไรเขานะแกน่าจะเชื่อเราบ้าง น, นะครับก็เลยให้ไปด้วยสาเหตุไหนก็แล้วแต่นะแต่ให้เข้าไปยริงไหมครับให้เขาไป เองนี้ที่หลังก็เกิดก่อขึ้นมานะเราสาธให้เขาน้นว่าจะมาช่วยอะไรเราหรือว่าเป็นเพื่อนเดินทางไปด้วยกันใช่ไหมครับกลับไม่เห็นมาช่วยรเราเลยโกรธนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็ไปแย่งชิงมาอะไรนะไม่ได้เผื่เอเฉยนะครับไปแย่งชิงมาเองเลยหรือว่าใช้ขื่ไปแย่งชิงเอามาเนี่ยนี่ก็จะเป็นอำนาจทต่เทียไปดีครับบนนี้ถ้าไปแย่งมาผืนนี้ก็เป็นตัวดีไปแย่งมาลายผืนก็ ถ้าหล่ะคือจริงเข้ามั่นรวมกันนะเป็นไปในไตรวมมันรวมกั น, น, นเนี่ยมันยังต้อมอบตัวเองนะครับแต่ถ้ามันอยู่แยกอยนี้่นะไม่ได้มัดรวมกันก็จะเป็นบาหลายตัวนะครับอันนี้บอกว่าต้องบลนเซเทียไปดีเนี่ยเพราะว่าคนให้นะครับมันให้ไม่ขาดมันยังไปยึดติว่าเป็นของเราอยู่คนให้ถ้ามีใจอย่างนี้นะนยึดติดว่าเป็นของเราอุตสาห์ให้แล้วไม่เห็นช่วยเราเลยใช่ไหมืม่อมไปเป็นเพื่อนเราเลยแกก็เลยไปแยกจริงๆเอามา ด้วยความเข้าใจว่ายังเป็นของตนอยู่นะครับตรงเนี้นะแต่ถ้าไปเอาคือเอาชิงเอามาเนี่ยครับด้วยความเข้าใจว่าเป็นของคนอื่นแล้วชิงเอามาด้วยหายใจจิตนะครับด้วยจิตแคเชียงมวยเป็นโซนอะไรอย่างนี้นะอันนั้นให้นะครับตีราคาปรับอามบัดได้เลยนั่นนะเพราะต้องมีที่ใจว่าที่เขาไปแย่งชิงออกมานะด้วยใจเป็นด้วยใจที่เข้าใจว่าเป็นของตนเพราะว่าให้ไม่ขาดหรือว่าด้วยามเข้าใจว่าขับเป็นของคนอื่นแล้ว ก็จะไปเอามาแล้โจละขโมยนะคัน่ร้รามิจาทวงนั้นด้วยนครับีนี้นะครับเ่องง า, านนะใชเติมอย่าปเท้า ป, าปนนะครับปนันท่านี่ครับปนันท์ใช่ไหมปนนี่แกเล่ามากกันนะน <c oughs> ครับเอาหน้าหนึ่งร้อยนะหนึ่งพันหนึ่งพันหกสิบเจ็ด โดสมัยนั้นหลวงพ่อพระเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอาลามของนันทบิดิกรสร้างบีเข็มพระนครสามถีครั้งนั้นพระอุปนันทาสารกัญญาบุตรได้กราบชวนภิกษุสัททิภิเษกของภิสูุผู้เป็นพี่น้องกันนะครับก็คือภิกษุที่เป็นลูกศิษย์นะของพระที่เป็นเพื่อนกันในอินทีพี่น้องกันในอินทีนี่นะครับว่าอาบุโสจงมาไปชวนเขานะ พวกเราจะพากันหลีไปเที่ยวตามชนบทพิสุรุ่มนั้นก็ตอบว่าผมไปไม่ไปครับพราะมีจีวัเก่าจีวังเก่าไม่ไปนะท่านพระอุปนนทนก็เลยขยันขยอยว่าไปเถอะอาุโสผมจะให้จีวัแก่ท่านนะครับแล้วได้ให้จีวัแก่พิสุรุมนั้นเนี่ยท่านให้ด้วยความคิดว่ารุ่มนั้นจะเที่ยวไปด้วยกันนะครับพวามหวังนี้นะพิสุรุมนั้นได้ทราบข่าวว่าคุพระพ่าธเจ้า จากเสด็จเที่ยวจาริกไปตามนตุนบทนะครับจึงคิดว่าบัดนี้เราจะไม่เที่ยวไปตามชนบทกับท่านพระอุปนันทสารไกยบุตรละเราจะตามเสด็จมาภาคเจ้าเที่ยวจารึกไปตามชนบทนะครับอันนี้คำพูดเนี้ความเกินนะครับแปผิดเกินครับครั้นสิงกําหนดท่านพระอุปนันทสารยะยบุตรก็ได้ปาะกับาศคํานี้กับวิสุทธูปนั้นว่ามาเถอะอาุโสเราจะพากันไปเที่ยวตามชนบทในบัด น, นี้ รูปนั้นก็เลยตอบว่าผมไม e mm ่ hmm. ไปกับท่านละนี่นะไม่ไปแล้วผมจะตามเสด็จพ ja ุทธภาคเจ้าเที่ยวจารไปตามชุนโมดครับแกน่าจะอนุโมทนาณภูปนน์เนี่ยดีแล้วใช่ไหมตามถึงพระพุทธเจ้าไปนะครับแต่แกไม่อนุโมทนาอะไรครับแกกล่าวว่าผมได้ให้จีวรแก่ท่านไปด้วยหมายใจว่าจะไปเที่ยวตามชุนโมดด้วยกันครับดังนี้นะโกรนน้อยใจนะครับได้เชิงจีวรที่ให้นั้นคืนมา มาเลย <c oughs> พิสนนั้นก็แจ้งเรื่องแกพึสูทั้งหลายบรรดาพิจิตผู้มั่งน้อยสิน ต, ต่อจางาาก็เเพงเทอีเดียร์พุฒนาแล้วก็การเรื่อนี้นะที่เม่งจ้าทจ้าคนนหรือว่าคนชิแล้วก็แเง่งเทอดคนชิงนะคนโดนหรืไม่เปนโทษนะเพราไม่ได้ผิดอะไ ร, ะรทีนี้ผู้ร่วมว่าบัญชิมศ ง, งสอบถามทรงิเพวกคนนแล้วก็มียาสิกามบนนี้ขึ้นมานครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่ใช่เป็นการไปแชงชิงคืมานะ แต่การไปพูดนะครับพูดเฉยๆนะเขาให้คืนมาด้วยความไม่พอใจนะี่แหละเอา้าผมจะให้ท่านแล้วนะเนึกว่าท่านเนี่ยจะเที่ยวไปกับผมจะช่ยวยเหลือผมนะี่น่ะไม่เห็นมาช่วยเหลืออะไรนะครับเอาอยากได้ไห้เอาคืนมาเลยคืนมาไลยผมเห็นจะได้อะไรอย่นี้ครับ <S <S เขาให้คืนมาจะด้วยแต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่นะถ้าเาให้คืนมานก็ไม่เป็นอะไร ถืนว่าใครคือมาและถ้าชินมาก็เป็นถ้าชินมาถึงจะโดนนะครับชิน้วขโมยก็นั<ม>่งร้านนะ อ, อันนี้ลยครับมันจะมีหลายลักษณะให้ก็แล้วมันที่ให้ไป็นยี้เพราะว่าให้ไม่ขาดเวลาแซมเยอะหน่อยเดี๋ยวท่านจะมีตัวอย่างลาอีกข้อนะครับ้าคคื เข้าสมัยรความหนาวรเข้าไม่เคยไม่คเคยเข้าไม่เคยความหนาวใช้หน้าดีอ่ะพี่อ่ะหนึ่งพันเนี้ยต่อไต่อไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยอ้นะที่ขาหมดรงเนี่ยชีอีวอนต้นไมรใหย่ก็ว่าไปแล้วครับก็มาดูคำอธิบายกันเลย ใช่แล้วใช่้วใช่แล้นไม่เล่เปล่าช่้ไม่ปั๊บสินถ อ, อนีนมาดูงอในกนารขาหน้าร้อยสิบห้าห้าหนึ่ร้อยสิบห้าตรงนี้ไม่ยาควัมสบายห้าอธิบายจิวระอันชินท่าน่าสิกขาหมดพึงสราบอธิบายสิกขาบที่ห้าต่อไปคาว่าสามองจิวระทัศวา แปลว่าให้จีวร A. เองความาว่าที่สูงหวังบุญมีบุญเกิดจากการขวนขวาจะต้องเราจะไม่เอาเป็นบุญก็ได้ไงเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นกรรมก็ได้นะกรรมที่เกิดจากค่อยสมานดีเป็นวิญญาวจารีลีม่มันก็ว่าหวังผลประโยชน์อนัยานะมีการช่วยผลนขวายเจตตุ้งให้ข้าพเจ้าต้องการเข้ามาขวนขวายเอตนี้ จึงเอาจีวรให้ด้วยตนเองนั่นแหล ะ, ะคําว่าอัดฉินเธอยะความว่าพิสูจน์เห็นเขาไม่ทําบุญมีบุญเกิดจากการข่ขวานเป็นต้นตอนแรกเราให้ความหวังใช่ไหมที่เขาเมาช่วยเหลือเราข่ขวาอะไรนี่ครับแต่ว่าให้ไปแล้วนะ เ, เขาเม่ยมช่วยจึงได้ชิงเอาคืนมาด้วยสําคัญว่าเป็นของตอนเองนีายตรงนี้อะเราทเป็นของตนเพราะว่าตัวเองทราบไม่ขาดให้ไม่พ้น ต้องอาบัดตามเนือวัตถุที่พื้นก็น่าไปที่ไม่ได้รวมเป็นเนื่องมาด้กันคำว่าชิ้นท้าเปย์ย่านี้แปลว่าให้ชิมออกมานะเมื่อพิสุสังให้ชิมเอาคือต้องอาบัดทุกกฎตอนที่สั่งทาเป็นทุกกฎก่อนในบรรดาผ้าที่ชิมออกมาต้องอาบัดนะตามเดิมผ้าที่สั่งให้ชิ สี่ยังไก็เป็นสามตัวหรือว่าจะสั่งรวมทั้งหมดเลยก็ได้ไ น, นะไปเอามาให้หมดไอ้ที่ผมให้แกไปไนี่คืนก็แล้วแต่นะั้นไปเชร์คืนมาให้หมดอันนี้ก็ต้องหลักการอนุพันธ์นะครับไม่ต้ก็ต้องการต้องการชิ้ได้โอเคครับไม่ต้อไม่มีจิงคือไม่ต้องการชท้นได้ตรงที่มันคิดจะรักจกมัมุนเขาไม่ได้เขา้าใจเของตนแล้วนะครับก็าจะให้ครอโครัวไปแล้ว คนนี้มืาพระเจ้าทรงปาลบเท่าป น, นันะในงสามมตทรงบัญยัติแล้วต้องเห็นคือการชีมเอาจีวรคือสิค้าคนนี้เป็นสาธารณบัญญัติที่สุนีก็มีนะ่นานสาริกะเนี่ยสั่งเขาเป็นนะใช้เขาไปชิมอกมาจะเป็นการเป็นติกะปาปาจิตนะครับมีปัญหาตัวตั้งนะ สิกาไปอีกทีก็คือเป็นประสานบัณฑ์เป็นพระนะครับรู้ต้องรู้ว่าเป็นพระเข้าใจหรือสำคัญหรือว่าเป็นเนรนะเมื่อรู้ว่าเป็นพระองสิ้นพระรว่าเนรกันแน่บางทีมีไม่เนรหน้าแก่นะครับหรือว่าตัวโตนี่นะแล้วก็เข้าใจหรือว่าเป็นเนรแต่ไม่ของพระนะครับไปชิงเอามาก็าดีให้แย่งชิงมาเขาดีอันนี้ก็เป็นอาบัติสุขีทั้งนั้นนะครับเนยเพาะความจริงของพระ ถ้าเป็นของอนุปสัสมบัติเนี่ยเราไปเข้าใจผิด น, นะครับสําคัญว่าเป็นอุปสัมบัติใ น, นะคกเขีนยนเจยเข้ถือเป็นท่าหรือว่ามีความสงสัยนะครับสงสัยเรื่องของผ้าของเนยกันแน่ครับเป็นท่านเป็นเนยกนันแน่คนนี้นะหรือรู้ว่าเป็นอนุปสัสมบันิีู้ทั้งรู้ก็แล้วแต่นะครับป้าอันบัทุกกฎนั้นนะถ้าไปชิงเอาของเมยเคยมานะครับอับัตจะบางเหมือนแค่ทุกกฎที่เป็นนิสัยก็คือของผ้านหละนะ ครับแว้นผ้าที่พอจะนําไปวิกลับได้เสียก็คือผ้าที่มันถือได้เล็กกว่าขนาดที่จะจัดที่ฐานได้ที่ห้าคูณ้าสิบเล็กว่านั้นนะครับเป็นชิ้นอว่าที่ได้กกว่าน้าเป็นผ้าเช่นหน้าผืนเล็กนะครับชิงเอาบริคาอื่นของอนุประสัมบัตมือถือของอุบาสัมบัตผมไม่ได้ชิงกีวอนะครับแต่ผมไปชิงมือถือ ผมถวายไปแล้วคิดว่าเนมมันจะมาช่วยมาทําะไรใช่ไหมอ้าวไม่อยอมมาช่วยเขาไปชิงออกมาเลยเ <c oughs> มื่อก่อนมันมีเรื่องทีนะถ้าเนี่ยถวายชาวบ้านให้เนมไปนะที่รู้สึก ท, ท, ที่ไหนไม่แน่ใจนะถ้าน ะ, ะครับให้สาวบ้า น, นเนมไปคิดว่าเนมจะพยายาตั้งใจรียนไะงตอนแรกก็อยู่ดีนะเขาก็แล้วชาวบ้านให้เน ท่าก็เลยไปชิงเอคือมาเลยไปยิบแค่ก็ยิบได้ไม่ได้ชิงอ่ะนครับไปยิบคืนเอามาเลยนะครับเน่ก็จะลองลอ ง, ลองท่าเนี้ยสีใจม า, มาเด็กนี่นะครับของเข้าจะเอาคืมาอันนี้นะท่าก็จะเป็นการปฏิบักฎนะครับถ้าคือท่ า, านมีความเข้าใจ ข, ข, ของตอนอยู่นะท่านยังสระไม่พ้นเนี้ยสวนสนามไม่พนม้นนะไปชิงยิบเอามาอยู่ หรือชิงเอมอาบริการทุกอย่างที่เป็นของอรูปสาบัติถ้าเป็นของเนนนะจะเป็นบาทชีวรแล้วก็แลแ้วแสงที่เราให้เขาไปแลกจีวรมาเนี่ยอาบัตก็จะวอลงเหนือแคุ่กกธนะบณาบัต น, นะครับที่สุมไม่ต้องอาบัตเมื่อคือเอาชีวรที่พิสุรูปนั้นให้จะด้วยยินดีก็าตามโกรธก็าตามทำไมมีคนเสียสต์เพราะว่าเ้าใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่พอใจ อยากได้คืนักะใช่ไหมเลยเอาคืนไปเนี่ยไม่ต้องการหรอกครับเขาจะให้คืนแบบพอใจไม่พอใจก็แล้วแต่นะถ้าให้คืนมาถือว่าเ่อยคืนมาครับหรือก็คืนได้นะเราก็ไม่มีโทษไม่ต้องลำบากอะไรตัวนี้นะครับหรือถือเอาโดยวิสาสะนะครับได้นะคุ้นเคยกันเนี่ยว่าวิสาสะมาได้และพิสุมากเป็นต้น องอาบัต น, นะครับสิครัวันนี้มีองห้าคือหนึ่งเป็นผ้าที่พอจะรีบกลับนะต้องขามใ้อีกห้าหกห้าสิบขึ้นไปที่นี้ครับสองพิสูจน์ให้ด้วยตนเองท่านก็ไปให้เขาเองแหละนะรักษาสําคัญว่าเป็นของตนเนี่ยให้ไม่พ้นนะครับยังมีความเข้าใจว่าเป็นของตนเองอยู่แล้วก็สี่เป็นอุปสำบันนของผ้านะของผ้าเนี่ย ห้าชิมมาหรือให้ชิมมาด้วยความโรครับเมื่อครบองห้าก็ต้อบงบบัดอันนิสเกยียไปในสถาบทนะครับสมมทุทรฐาเป็นต้นเหมือนกับอธินาธาสถารบทคือสมุทฐานเท่าไหร่ครับอธินาธาสถารบดสมุทรฐานเท่าไหร่เหมือนกับอธินาธาสถารบดสามพันคะืนอ่ครับ เวทนานะต่างจากเวทนาเท่านั้นนะครับก็ในข่าวบนี้เวทนามีเพียงทุกขเวทนาทุกอย่างดีเลยเพราโกรธไม่พอใจนะครับก็เลยเป็นทุกขเวทนาทรมนั่นอย่างเดียวนะจบ ก, การที่บายจีวระอัจฉรินะขาบทข้อที่เาจบแต่ความที่มีความอธิบายเพิ่มเติมในสมัยตา่างอนะ น, นี้นะครับท่านจะอธิบายถึงว่าการให้นะ ให้ของขอให้นะครับแล้วก็พูดว่าเนี่ย <c oughs> ถ้าหมอว่ า, าพิสูจนหนุ่มนะครับพิสูจนหนุ่ม น, นั้นถูกฆ <c oughs> ่าตายถ้อยคํามีอาที่อย่างนี้ว่าคุณเราได้ให้จีวอแก่เธอะครับเราได้ให้ผมได้ให้จีวอแก่ท่านนั่นเนี่ยด้วยหวังว่าจะจะมาทาวัดปฏิบัติพร้องว่าปฏิวัติจะถือประชารารจะมาเรียนธรรมกับผมเนี่ย มาบัด น, นี้เธอไม่ได้มาทําวัดมาถึงประชามันยนทำกผมเลยนะครับเนี่ย อ, อ, อาจารย์คนนี้ก็พูดอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านดูไม่พอใจนะครับจึงคืนให้ว่าท่านเคาเล่าดูเหมือนท่านพูดเพื่อต้องการจีวรนี่จีวรของท่านนะครับคืนไปคืนไป <laughs> อย่างนี้ไม่เปนะ็นอาบัติเพราะว่าเขาคืนให้เองถึงไม่พอใจกันแล้วแต่ รูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับพระเทหลักกล่าวพี่สูนุ่มนะรูปหนึ่งเนี่ยแกห ล, ลุดไปสึงที่แกจะแจริปไปแล้วนะคะรับแจริปมาแล้วน ะ, ะ อ, อพวกท่านจงให้เธอพระเทรลักก็เลยสั่งรูปสืค้นหาพวกท่านยู่น้อยนะครับไปบอกไปเอาตัวกลับมานะ <waves> จะให้เธอกลับมาเธอไม่ยอมกลับมานะครับพระเทรลักเลยสั่งว่า อ, อพวกท่านจงนิดจีวรกดำให้นะครับ ไปยี่จีวอไม่ได้ท่าอย่างนี้เธอกลับเป็นการดีครับแต่ถ้าเธอไม่กลับเธอก็พูดว่าพวกท่านดูเหมือนจะพูดเพื่อต้องการบัตรและจีวอครับพวกท่านจงรับเอามันไปเถอดและให้คืนนะครับแล้วก็ไม่ยอกับนะครับไม่ยอมกลับอันนี้ก็ป้าถึงน้าก็ไม่มีโทษนะเพราะบางขอะนะแล้วถ้าถ้าท่านยืดลงไปทำให้ทงจีวอลทานตองการใช่ไหม อันหนึ่งพลาดเสียหน้าหินเสร็จแล้วขนาดว่าสึกแล้วนะให้ท่านที่เป็นท่านนะครับแต่แกสึกเลยเราบอกท่านแล้วก็กาวว่าเราได้ให้บาทและจีวรแก่เธอด้วยหวังว่าจะทำว่านี้ผมให้บาทย้อนบริชายแกท่านเพื่ที่ว่าท่านจะมาสว่าิปปะขาผมน้ะเนี่ยบาทนี้น่ะเธอนั้นก็สึกไปเสียไปที่สรูงหน้าดีกว่านะทิศทิศนะครับ ก็พูดออกไม่พอใจนะครับขอท่านโปรดรับเอาบาและที่วังของท่านไปเถิดและให้คื น, นคให้พอใจนี้พอใ จ, อจก็แล้วแต่นะแม้อย่างนี้ก็เชื่อว่าพิสูจน์รับเอาไปนั่นแหละก็เชื่อว่าพิสูจน์ผูรับไปนั่นแหละให้คืนเองก็ดีไม่มีอับอายตรงเนี้มีเนื้อความตรงนี้เราต้องใส่ใจหน่อยนะครับเกี่ยวกันให้ท้องแก่ บ, บุคคลอื่นนะถ้านบอกว่าแต่จะให้ด้วยกล่าวอย่างนี้ว่า เราให้แก่เธอผู้ถือระชาในะสำนักของเราเท่านะั้นไม่ให้แกผู้ถือบัตรในอะื่ให้ของแก่เท่านะแต่ว่ามีข้อแม่นะครับผมจะให้แก่คนที่ถือประชากับผมนะครับมาถือผมเป็นประชานะครับผมจะให้ท่านนะเฉพาะท่านมาถือระชาผมนะครับถ้าใครไม่ถือผมก็จะไม่ให้เราจะให้เฉพาะแกผู้กระทำว่า ท่านยิ่เพราะู้มาทำว่ า, า, าปฏิบัติทนั้นแหละใครไม่ได้มาทำวัดก็ไม่ให้ไม่ให้แก่ผู้มาแต่ทำวัดเราให้แก่ผู้เรียนทำ นนถ้าก็ต้องเอาแบบที่วราตรงไปคุณครับแต่ท่านก็ถ้าเกาไม่ทำตามท่านก็ให้ต้องคืนมาได้ครับเปาได้นี่มเ น, นี่ยมีคำพูดตรงนี้บอกว่าพิสูจผู้จริงเอางจีวอที่ตนสละแล้วคืนให้ครับภาพนี่เนี่ยนะพิสูจผู้ริงเอางจีวอที่ตนสละให้แล้วคืนมาเพราะไม่ได้ถอนคืนครับ ว่าให้เขาขาอะไชีงออกมา mm hmm. ก็ฝาอวัยวะตาเราขาดของไปเลยะครับห mm hmm. ลัไปเ้าไที่ตรงไหนวนเนะ mm hmm. นี่ยไอ้ตรงสมุทรามันก็อ น, นิบาลไปแล้นะครับ mm hmm. จะเป็นกิริยาต้องวกระทรนะครัชี้ึ้นมาให้ชี้ออกมาสัญญาณีิโมกใช่ไหม mm hmm. มันต้องมีจีตตรง น, นั้นนะถึงจะไปนครับ mm hmm. ถ้าไปถึงวิสสาะ ก็มันเป็นนะสติกักจต้องมีใจเ่ น, นั้นจิจะต้องโลกวัฏวักรจะเป็นอุปสรเดียวนะคับนี้เป็นโทสารนะกายกรรมก็ได้วิจกรรมก็ได้นะครับเป็นอุปสรรคติที่มัวเวนนาสินี่ก็จบยงไแสองอท